นานเดือทก็ตัวทปเลยที่แคอ่อนกตามนานส่วนหนึ่งของตัวฐารีรยปรมานี้เยงอุปารณนยรมานะนี้ันติประมาณนันคันติประมาณนี้นิอุปการณีราีนะ ถ, ม ถ, ถม้มันก็ใช่แตถอยมาวางวางังมันก็โยในการเทียกว่ารมารมะาอะไหรือุป ป, ปัฏนรานี่มันชั้นชั่นเตน็ชั้นสางชั้นสายชันต้นเื่อกนในทางทีว่ามันก็ดีบ้างอะไรอ่างเ้หรือไม่ดีกว่าไม่ดี มากหายโือขั้นขั้นกลางนี่เยนอาจารย์ ล, ละไม่เดในไว่แย่เนกาจารย์จะร่วกันนี่เยนพบับมาปฏิปทาตามการแปลว่าเยนในขั้นเกียรติพระมหากษัตริยนั้นอยู่กับเป็นทานก็ตาม หลักจริยธรรมแม่ธรรมะการอบรก็าตั้งยาก็ตามตั้งวิริยะก็ตามตั้งสันติก็ตามั้งจับจักก็ตามตั้งอธิฐานก็ตามหรืออาจจะมอธิฐานะรีหรืออธิฐานอุปัตรีอธิฐานระรรีันเก็ดทีอธิฐานเช่นไรอธิฐานระธรรรีอย่างเียาอย่างจ ที่เอาปลายขาจะขาดแก้งจกเป็นๆ น, นี้เกิดได้ตามอันนั้นเป็นปรมาสาปราีีนังโัวิทัพษ์อยู่ในโนพระนั้นมารักล่าถินเสนมากนนไม่กินอาหารเอาอาหางเอาจีวอ เ, อ เ, อเอที่ยวขอนงินขนมขึ้นใครจะไปฆ่าเลยนายท่านจะฆ่า เงี้ยมาค่าค่ายังเรามาตายเราทำใหม่ต้องอยกลองเราไจะค่าอะไรเอาเนื้อเอาหนังของเราเอาเอาหนังไปขายหรือนมเหลี่ยมเนี่ยเราเนมีเหลี่ยมนี่มีเพื่อไ้อามาทำาหนาสงสารทํอยางนี้เต็มเลเนี่ยค่าเป็นเจ้าเราเสพสิบไปมาทาอย่างนี้บาปนะ แต่เราไม่ เ, มเจ้าก็ไม่ละทาย ใ, ให้เขาเอาไปขายแต่อย่างไรก็ตามแต่จะเอาไปเกลือเอากระดูกไปขายเลยเอาเนื่อไปขายย่งไงก็ตามยอมําให้ยามเสียเวละให้เคอมาทำาเจอคือค่าไปเจ้าได้สมความบัตรธนาค่าไปเจ้าตป็ัตสธนาเป็นบัพรทุกเจ้า มีเจ้าเมืองสิริัาเน้าเมืองสุริธาเสียสาและความเมตไส้ใหญ่ไม่ขาดสัตอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเทวดาคล้วคนเธวดาทำด้วยทางประติกัรดังนั้นข่ามจักรเป็นปรมาทิตย์หลังจากนั้นก็เทวดานีอไปอยืเนเจริญขึ้นไปเบื้อง ส่วนพลัแม่พลัดสมบัติไหนส่นไหวพลัดสมบัติเงินเงนสะัดี้ใกล้เจือลัดท่านั้นเพราะว่าขบคิดแบอย่างเธอไม่ใช่เป็นมนุษย์นี่เป็นมนุษย์นสังขารเ็นเรสงารแต่ถึงได้แค่นั้น มือสลัางสลันเป็นของที่หาราคาไม่เทียบเท่าทิงไหนก็ตามจะเป็นคนเป็ น, น, นมัเนเรียกจัสตัวไหนก็ตามมันก็เทีอยงายยอมยอมน่งนี้ถึงท่นทานตั้งอยู่ในปรมาติษดีก็ออยังยีได้จริอของสลัมนั้นใส่บ้ามาลวก็อาจจะเป็นแหน่เป็นเสื่อ ไม่ดีเพราที่าเ้าดสังคุสนิยมสิบกรณีว่าการนาเป็นพระเจ้ามันกลัวเราจะได้รักษาประยาน์ที่เคยทำไเมื่อชาตินี้เมื่อชาตินี้ค้่าหน้าไปอันอย่างนี้เลยถึงไม่ถอย อาศัแล้วก็อเราได้รับทรัพยากรมาอยานั้นหรืพ่อจะนึกแต่เราเราจะนึกกว่าอาศัยที่เราทำที่ทำความรู้นี่มันจะม่ใช่ว่าเป็นคนอรหันต์แต่เมตใส้ก็จะอับนิ่งพราสบางคนางเพียงเราที่ทา ความเปลี่ยนให้แค่ะกระพอเอาอาเชื่อเชื่อลาวองขามโดยจาตย์รัชนาตายไปเลยยกียรออยากที่หลังนั้นนั่นแหละได้เชื่อภาพผลของท่านผุ้ปรัถนาที่จะหมดไปที่ตัดงติสังขาดความสงสัยที่ใจนั่นนี่ ใช้ราพัฒนาเน้ะเอานี่ยไปเอาอะไมาได้บางทีเป็นคำพาพระพุทธเจ้าตั้งาวไว้เลยหรือเราได้เจออียวับพระพุทธเจ้าแล้วเราทัพยิญญาณมาเนี่ยาเนี่ยเต้าสิลเลต์เนี่จะมาทาเท่าเราชักเจ้าเชื่อละลายไม่ได้วาพนาย่งนี้ก็มกเีเราก็ลองบ้างเต้าชิลเลตจเป็นตัวหลอ หลอกให้เกิดสูงบ้างให้หลอกเิดต่ำ บ, บ้างให้ทำกรรบ้างจป็นมาให้ยอดทอดเทา น, นั้นถือว่าการไม่ดีนี่นี่อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งยังไม่ละทัริยกรจะถือว่าอาจทมยอดทอจนกว่าเราจะเสียเทาทีาเห็นมาองค์พระพุทธเจ้าใชเป็นปรมาภะปรามีในการปรมา มีกว่าก็สามารถจะอ่านรอบโยมธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าใดโดยโดยนี้จะลาไปถึงพระอรหันต์ก็ตามเอานามอะไรง่าใส่เชนอคิสตะทิชมัน็ปสียาลายมาใส่ที่ธาตุเจ็ดพระองค์จะรู้ได้ยังไงศึกษาโรงเรียน มีบอกแบบตามระพุทธเจ้าเพสาความยันสายกราร์ธนาเป็นปฏิกาไม่รู้ว่าเป็นอะไรยันกล่าวพุทธเจ้านะไม่ใช่บาปบาปนั้นมาทักพยากรสักไอ้พระจักุิ้กโขนะนั้นนี่ทำไมถ้าม อ, อ ก, กระาไปหาบาปไม่เห็นสาศาศาศาศา้าการุณห์หาไม่เห็นสาบวัดเป็นโกดกเลังหันเดินไปตรงนีย ว่า บ, บีดเกียบป้าเจียบเมือกหรืออะไร่ันฝ้า ต, อตนอ็นเมเลยภูขเขาเหล่ากาเนีดีออกอนุกหานเ่ยดีได้มีกาลางไรเป้นบดงอาบาตพระเจ้ามาเห็นเนี่ยมากาบอกอะไรเป็นลงโลกฮึคิดมากพระาเลยบวดกระวาดจะให้เห็นมากาไม่เห็นหมดแล้วย่อไม้ยอม่อ ถ้าองอาจไงว่าใครจะนผู้ไเจ้าจึงหาบาทเนีจะถาก็เส้นนะถ้าองาจแค่นี้ถ้าใครจะได้เปนผู้ไเจ้าดังเราเนี่ยงให้หาบาทเราแถาก็าเส้นหมดแล้วมีศีะที่ขูหอไปไม่ได้เนี่ยเมื่อทานไม่มีมรุ่นไม่มีดูแต่มรุ่น หลายอย่างมรสนี่คือพุทธภมไม่ใช่ท่านเอาผลปัจจุบันพระหันไม่เอาเรียนภาษาจีนตกจนจบได้ทุกอย่างเกืออหรียนบนได้ดังพระหันมากแต่ไม่ความปรารถนายันต์พระพุทธจ้าลายเชื่อจะเอาบาปนี่เวลานก็ยังคือ ข้าสากรดขอบพระมาตุาสากดตรนี้พนางเงี้ยกระจายน้อยขึ้นเมื่อนี้เงี้ยใส่้อยอะไรใส่ลอยเพียรทาผ้าสากรดเนี้ยใ้ปลุกเจ้าปลุกเ้าม่หลับแม้ในบาปหรือหรือบนมือถ้ามีโปรดคนอื่นได้เป็นอนาหา บอกแม่นี่ไม่ได้ไม่รับอีกโอ้กูเงินเดือนน้อยเน่ยตายลงเกเด่เลยนะ่องนี่เดือกันอยู่ลงไป้านอนก็ดง่ายน้ำแม่เห น, นือใบอ่อนร้อนเหนือลุกขึ้นมาก้อนทองว่ะเสกเยอะเหนือพานอนว่าทำไมทองไม่สงสารแม่หรือ แม่วงชอนฟอนคน้าวนี่รักพระงนี่ยิ่งกว่าหัหอใจพระเจดลูกของพะะ ร, ร ะ, ะเนื่งเจ้าเช่นนันทะหรือนูกันันทาเนี่ยเปหลักให้เสนาบดหรือที่เรี่งมานมเรื่องวันแม่เนี่ยพรครมีเนี่ยมาไปจาแม่เรียนรักพรนะองค์มาก บานี้เชื่อว่าอยากได้บงิมากทาไม่พอไม่ราบไม่สงสารแม่เหรือถึงให้เลยออก็ได้เม่เราใจเดียงใครจะไม่รักแม่ในโลกเนี่ยถึงไหนทีสมหดังแม่เราคนลในโลกเนี่ยจะเป็นเท้ระดารือก็สามแต่ยังไม่เชื่อ คนมาจะมาหอาบาดกูมาวะกันนียเอาบาดกูมาใสเพอเพื่หาบาดกูเห็นเลอาจารย์ยงสนัขตายเมื่อเดือนพันมาโกโก้ต่ใจดลาไปยตาสิคุยเลยมาก็ได้สชีเกิดเข้าใจลต้สะดอออกบวชเงนใจบาดเห็นลัดเสมืนเลย จะเกิดเปเจ้าขอนั่นเลยเราบวชแล้วอมาพระราชุม่สองเใ้เป็นอาหารหดหงแบ่งทุเรไปตัวนยางเต่เลีอะไได้ดูไม่ได้ยให้หมดเลยเมื่อใดเป็นยาง ตังว่ได้เพระปรารถนาจะกระเพื่อมอนาคตสารอาหารในหวังง่าจนบางครั้งไม่ได้ทางพุทธภูมิไม่มัน่นใจว่ท่าไใดเลยว่ท่นเห็นหน้าพระเจ้านี่ว่าท่านหมดใจทิ้งลางเจ้าของได้นี่มาจะดูที่จมาบาดนั้นมแม่แหละก็ไปหาไ่เห็นบอกไปาสียกับอยู่ๆแล้วเสียกับอยู่ขู่ มึงมาที <Goodnight> hire, ่นี่มึงไปหาบาปขูหาม่ให้ขู่โอ้ยได้เลยก็ได้โอ้ยพระเจ้าว่ายเจ้าขู่สัพยุตเจ้าถ้าไม่ไรก็ไปละหันหอไปง่ายเจ้าพาละหันยังหาไม่เห็นพระเจ้าฟ้าเท็กดินดินบนไปยำดินไปหาหมดเลยไม่เห็น งาจะไปยังไงได้งามึงวดตรงไหนวัดว่าอะไรเงี้ยมึงวดเรื่องไข่บ้างนะมึงเล่นงานมึงอยากได้งานมงวัะันเนีแน่นี้แหะโอ้้าขบวยกได้พระนสงฆ์มึงอยากได้พระอันล่ะคเปนพระเจ้ามอ มึนเล่าแล้วมึงหัวอะไรนี่ก็ไปเอาแล้วหนูก็ไปหาคนมาแเ้ว่อมันกขึ้นแล้วมอนทนเล่าแค่นัู้เลยไอ้ชาติได้ชาติผู้ใคจะได้เป็นพุทเจ้าชาติมากใครนาเออบางนี้ขอให้สัดใจยังบาตของพระพุทเจ้านี่ลอยมาหาข้าเถิดว่าแล้ววืดมาแค่มาจับถุกมันบาตได้เ ไม่ไม่ไม่